ต่างใจฟังให้ดีอัตมาจะเทศให้ฟังเรื่องคนลืมแก่ลืมแก่เป็นยังไงคนลืมแก่เนี่ยมันเป็นยังไงมีอยู่ครั้งหนึ่งอัตมาไปซื้อน้ำมาไว้สำหรับงาน เขามีที่ขายน้ำอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็ไปก็ไม่ได้หรอกแต่ก็ไปเห็นพัตตาคารแห่งหนึ่งบอกว่าพัตตาคารลืมแก่อัตมาเขาเกิดธรรมะขึ้นมาในใจโอ้เหมือนคนเราี่เนาะเขาก็เปิดพัตตาคารขึ้นมาให้กินเหล้าเมาเบีย เต้นรำกลาง้่ำกลางคืนสนุกสนานเฮฮาตลอดคืนไม่ว่าคนหนุ่มคนแก่ไปอยู่ที่นั่นกันเยอะอพี่พัตคารนั้นชื่อพัตคาลืมแก่เลยย้อนมาดูตัวของคนเรานี่ลืมแก่ไปอยู่ที่นั่น สนุกสนานรลื่นเริงบันเทิงใจตลอดคืนพอตกกลางวันมาก็ไม่ทำอะไรก็นอนตอนค่ำก็ไปอีกก็ไปไปมาสนุกสนานกินเหล้ากินเบียร์หรือ เ, เรื่องอื่นต่างๆหลายเรื่องหลายอย่างอันในนั้นตมาถึงย้อนมาดูตัวของคนเหล่า คนที่ลืมแก่นี่คือคิดว่าตัวจะไม่แก่ไม่แก่เลยไม่ได้ดูหรอกเราแก่ไปวันละเท่าไหร่แก่ไปแล้วกี่วันแก่ไปแล้วกี่เดือนแก่ไปแล้วกี่ปีลืมลืมพิจารณาถึงความจริงไม่เห็นความจริง จึงพากันหลงลืมหลงลืมสนุกสนานบันเทิงใจอยู่อย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นทำอย่างนั้นเป็นปีเป็นหลายปีร้องลําทำเพลงแก่เฒ่าแล้วก็ยังไม่ดูตัวเอง พูดง่ายๆไม่ดูสังขารของเราเองอลืมสังขารลืมความปรุงความแต่งเราเกิดมานี่มันแก่ไปทุกวันทุกวันแก่ไปทุกวันทุกเดือนทุกปีแก่แล้วเจ็บตายเราไม่ได้คิด เราไม่คิดเรื่องเหล่านี้ว่าความแก่เนนกินกินสรรพสัตว์ทุกวันทุกคืนให้พิจารณาให้ดีคนลืมแก่นั้นก็มีแต่สนุกสนานไม่คิดว่าจะตั้งเนื้อตั้งตัวไม่รีบเล่งสร้างคุณงามความดีไม่รีบเล่งสร้างตัวเองให้มีเงินมีทองมีเกียรติมียศมีทางความเจริญต่างๆ มัวเมาประมาทรุ่มหลงอยู่กับเครื่องดองของเมาตลอดเวลามีแต่มัวเมามีแต่ประมาทไม่เคยคิดว่าตัวเองจะแก่จะแก่วันนั้นล่ะจะแก่วันนี้ล่ะไม่เคยคิดว่าเราแก่ไปทุกวันทุกวันไม่เคยคิดคิดแต่ว่าสนุกสนานลื่นเริ ง, รงนี่ ไม่รีบทำมาหากินไม่รีบทำคุณงามความดีไม่รีบสร้าง ส, สร้างสมตัวเองซึ่งอยู่ในวัยหนุ่มไม่คิดว่าเราจะแก่พอมานึกได้อีกทีมันหกสิบเจ็ดสิบแล้วใกล้กจะเข้าลงแล้วว่างั้นเถอนะนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยมันลืมลืมไปหมดถ้าไปอยู่ในที่นั้นนะ มันไม่ได้คิดสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรเลยคิดแต่อเราทำไมถึงจะได้กินทำไมถึงจะได้สนุกสนานนั่นแหละพอมันึกได้มันหกสิบปีเจ็ดสิบปีแล้วจะไปเห็นเท่าสาวแล้วก็ตาเป็นมันรู้อายุละแก่แล้ว หกสิบปีแล้วตั้งเนื้อตั้งตัวอะไรก็ไม่ทันจะทำสิ่งไหนก็ไม่ทันไม่ทันเขาคนหลุมคนมีกำลังเขาไม่ประมาทมัวเมาเขาก็ทำความดีทำส ม, มาหากินตั้งหลักตั้งฐานอันนี้เขาเจริญเขาไม่ลืมเก่แต่คนที่ หม่อแต่ไปกินเล้ามาเบียเนะ่ไม่ได้คิดสร้างตัวต่อมานึกอีกทีหนะ่ฟันเกือบหมดจากปากเลยแก่จนจะไม่มีฟันแล้วเตนี่แหละพอไปดูจะทำมาหากินทำอะไรมันก็ไม่ทันเขาอายุต้องห้าสิบหกสิบแล้วจะไปทันเขาได้ไงไม่รีบทำตั้งแต่อย่างไว้นุมเพราะนั้นไวน้นมเราต้องทำความดีให้มากที่สุด ในขณะที่กําลังของเรายัางแข็งแรงอยู่อย่างดีอยู่กําลังยังพร้อมอยู่นี่แหละกำลังแข็งแรงอยู่เราก็ทํามาหากินได้ขุดจะทำนั่นทนํานี่หรือว่าปลูกผักปลูกพืชเลี้ยงสยัตว์เลี้ยงอะไรมันได้หมดทุกอย่างทํามาหากินก็ได้อ น, นั้นเขาไม่ลืมแก่แต่คนที่ไปพัฒธาคารเน่ยเป็นคนลืมแก่หมดเลย ไม่นึกไม่คิดที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวคิดอย่างเดียวทำไมถึงจะสนุกลื่นเลงบันเทิงใจแล้วก็มัวเมาประมาดร่มหลงไม่นึกถึงความเป็นไปของชีวิตว่าเราจะแก่จะตายเราไม่เขาไม่คิดเลยเขาคิดแต่อยากจะสนุกสนานลื่นเลงบันเทิงใจนี่แหละนี่เป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าลืมแก่ถ้าใครลืม ลืมแก่แล้วก็ลืมไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างันแหละลืมศีลลืมธรรมลืมข้อวัดปฏิบัติไหนจะให้มานั่งสมาธปิปฏิบัติธรรมก็มาไม่ได้เพราะใจไม่เพราะไม่เคยมาทางนี้สักทีเคยอยู่แต่กับความมัวเมาประมาทรุ่มหลงกินเหล้าเมาเบียสภาพอย่างนี้มันมีเยอะนีมาก คนในโลกนี้ลืมแกในมีมากคนที่ไปลืมแกนี่ก็สามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้ดังนั้นคนทั้งหลายผู้มีศีลมีธรรมมีข้อวัดปฏิบัติอนิงามเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจกับความแก่ความเท่าหรือความชราภาพอะไรเขาก็ไม่สนใจสักอย่างล่ะ เขาสนใจแต่ว่าเขาจะทำยังไงเขาถึงจะมีฐานะดีมีเงินมีทองหนึ่งพวกคนคนไม่ลืมแก่เป็นอย่างนี้พยายามสร้างฐานะของตัวเองทำมาหากินไม่ประมาทไม่คิดว่าจะสนุกสนานแบบที่หลงงมงายนั่นรวามที่จะทำมาหากินตากแดดตากลมตากฝน สร้างเนื้อสร้างตนจนเป็นคนร่ำคนรวยจนเป็นคนมีเงินมีทองทั้งหัวทั้งเมียช่วยกันทำมาหากินไม่มัวเมารูปหลงกับความหนุ่มความแก่หรือไปเต้นรำกินกินเหล้ากินเบียร์เนี่ยมันลืมกับคนไม่ลืมส่วนเขาไม่ลืมสร้างฐานะได้สร้างเนื้อสร้างตัวได้ ทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองร้อยล้านพันล้านคนที่เขาไม่พมาตนะเขาไม่มัวเมาไปอย่างนั้นเขาทํามาหากินในทางที่ถูกที่ชอบเรียกว่าสัมมาอาชีพเป็นการปฏิบัติตามมาร์เก 8. หากินเลี้ยงตัวเลี้ยงตนเลี้ยงครงอบครัวเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียเลี้ยงญาติเลี้ยง อ้ต่ออะไรไปได้หมดเพราะอะไรเพราะเขาตั้งใจสร้างฐานนะเออไ ม, ไม่ไม่กลัวความเหนื่อยยากลำบากไม่หลงลืมตัวเองเขาเก็บเงินเก็บทองแต่เป็นหนุ่มเขาก็มีเงินมีทองไม่อดไม่อยากเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ารวยมีเงินมีทองมากนี่คือคนไม่ประมาทคนไม่ลืมแก่เป็นอย่างนี้ ส่วนคนลืมแก่นั่นมันไม่ได้คิดดอกเรื่องอย่างนี้น่ะจะให้ทำไล่ทำสวนทานาทำอะไรทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวโอ้ยมันคิดไม่ได้โน้นอายุใกล้จะเข้าโลงโน้นน่ะมันถึงนึกขึ้นได้ว่าโอ้โหกูนี่แก่แล้วทำอะไรไม่ทันเขาเลยนี่เป็นอย่างนี้คนโดยมากน่ะ ที่ประมาทมัวเมาเนะ่ยมันเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างอธิบายมานี่แหละมัวเมารุ่มหลงเป็นคนประมาทจริงๆนะมัวเมารุ่มหลงไม่รู้จักรีบเร่งทํามาหากินไม่รู้จักรีบเร่งสร้างเนื้อสร้างตัวมันคิดไม่ได้จริงๆนะเหล้าเบียร์ ลูกเมียมันไม่ได้คิดถึงลูกถึงเมียไม่ได้คิดถึงครอบครัวบ้านเรือนหรือสร้างฐานะสร้างตัวหรอกคิดแต่ว่าเราทําไมถึงจะมีเงินซื้อเหล้ากินเรื่อไปเล่นไปตลกโปกหาสนุกสนานตกลางค่ำกลางคืนอพอตะวันตกดินก็เริ่มเปิดอะมีไฟสว่างจ้าหลายสีหลายแสงคนก็ไปนั่งกินเหล้ากินเบียกันอยู่ ใครชอบสนุกสนานก็าพากันไปที่นั่น ม, มันนึกไม่ได้ว่าเราจะเก่จะเก็บจะตายนึกไม่ได้นึกว่าเราเออเกิดมาชาตินี้เราต้องสร้างเนื้อสร้างตัวให้มีฐานะดีๆมันคิดไม่ได้คิดอย่างนี้ไม่ได้คิดไม่ออกด้วยแม้จะใครไปอธิบายให้ฟังมันก็ไม่เข้าใจ มันเข้าใจแต่ว่าทำยังไงถึงจะได้ไปสนุกสนานแต่ละคืนแต่ละคืนลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมบ้านลืมช่องลืมลูกลืมเมียลืมตั้งเนื้อตั้งตัวลืมสร้างฐานะให้กับตนเองนี่แหละเป็นอย่างนี้แต่ที่ว่านี่ไม่ได้ว่าทั้งหมดว่าบางคนบางผู้บางพวกบางเหล่าท่านเอง ที่หลงลืมหลงลืมในการสร้างฐานะของตัวเองเมืม่อแก่เท่าแล้วจะมาสร้างฐานะยังไงได้เลยจะเป็นชาวนาก็ทำนาไม่ทันพระทันฝนเขาแหละไม่มีอะไรถ้าเป็นข้าราชการหรือเป็นประชาชนทั่วไปก็ไม่ได้คิดถึงว่าเราจะทำดีให้ ให้เป็นคนดีหรือว่าไม่ได้คิดถึงว่าเราจะสร้างฐานะของเราอย่างไรไม่ได้คิดคิดไม่ออกทางนี้คิดออกอย่างเดียวว่าทุกคืนเจอกันที่นี่ที่พัะตะการลืมแก่นี่ยเมื่อลืมแก่ก็ลืมสร้างฐานะตัวตนแต่มันเกิดธํามา ข, ขึ้นนี่โอ้ามันพูดทั้งวันมันก็ไม่จบแต่พอจะนำมาแสดงให้ฟังนี่ก็ได้ส่วนน้อยเท่านเอง ส่วนเป็นธรรมะอั น, นใหญ่ใหญ่มันไปบทแล้วแต่ก่อนพิจารณาดูอยู่คนนั้นโทรมาหาคนนี้โทรมาหาก็เทศให้ฟังอย่าลืมแก่นะโยมนะอายุก็สี่สิบห้าสิบแล้วนะต่อไปหกสิบต่อไปกเกษียณต่อไปก็เขาไม่ให้ทำงานทำการจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำอะไรก็ลำบาก นี่แหละต้องเป็นคนไม่ลืมไม่ลืมแก่ไม่หลงในสิ่งที่ทำให้ประมาทโมเมาไม่หลงไม่หลงยินดีไม่หลงพอใจในเหล้ายาปาพิษเงินอะไรต่างๆไปกินไปสนุกสนาน มนน่าสลดสังเวชนะคนเรานี่ยพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ตัดแสดงทำไว้ว่าเออความแก่ความความเกิดความแก่ความเก็บความตายมีอยู่เป็นทางที่จะทําให้เราตกต่ําในเรื่องเหล่านี้แหละพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วสอนอีกสอนได้แต่คนที่มีบุญ คนที่มีปัญญาส อ, อนได้แต่คนที่ไม่มีบุญไม่มีปัญญาสอนแล้วมันก็ไม่เอาความไม่เอาไปใส่ใจไม่เอาไปไประพฤตปฏิบัติหรอกเอาแต่คนที่ดีทันแหละเขาเอาไปปฏิบัติเขาไม่ลืมเนื้อลืมตัวเขาสร้างฐานะของเขาได้เป็นคนร่ารวยเป็นคนมีเงินมีทองแม้จะเกิดอยู่บ้านนอกก็หาวิธีสร้างเนื้อสร้างตัวได้ไม่มวัวเมารุ่มหลงกับอบายยมุ ทางแห่งความชั่วไม่มัวเมากับสุรานาลีไม่มัวเมากับความเพลิดเพลินออในการดื่มการกินนีก ว, ว่าสุรานาลีเป็นทางให้ตกต่ำนี่แหละคนลืมแก่มันหลงอบา ย, ยมุกอบา ย, ยมุกนั่นแหละทางแห่งความเสื่อม ทางแห่งความชิบหายถ้าใครเดินทางนี้ตกตามทุกคนอบายมุกเนี่ยเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงการพนันเป็นนักเลงหญิงก็คือคบค้าสมาคมกับผู้หญิงอืมผู้หญิงในประเภทที่ว่าผู้หญิงไม่ดีเนะี่ย มันไม่ใช่แต่ผู้หญิงไม่ดีหรอกตัวผู้ชายก็ไม่ดีเหมือนกันนั่นแหละมันถึงไปประพฤติอย่างนั้นเป็นนักเลงคือทําอย่างนั้นจริงๆนะเป็นนักเลงไม่ได้ทําครั้งทำครั้งหนึ่งครั้งเดียวมันมากทํามากอืมเป็นนักเลงหญิงนี่ก็ทางเสื่อมแห่งโพคะเป็นนักเลงสุลาก็เป็นทางเสื่อมแห่งโพคะสุลานี่ลองดูสิ กินเหล้าแล้วก็มาเบียดเบียนลูกเมียไม่ตั้งอยู่ในไม่มีสติเลยนะ่ะพอกินเหล้าเข้าไปก็เมาแล้วก็ด่าว่าคนโน้นคนนี้เป็นนักเลงการพนันคือเล่นการพนันเป็นนักเลงหญิงเป็นเจ้าชู้ เที่ยวกลางคืนมีเพื่อนชั่วขี้เกียจขี้ค้านเหล่านี้ทั้งหมดแหล ะ, ะพอพึ่งเข้าไปก็เสื่อมเสียนักเลงหญิงนักเลงการพนันนักเลงเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการละเล่นโอ้ย มันเกิดมามันคิดไม่ได้ในทางดีเนะี่ยมันคิดได้แต่ทางไม่ดีทำได้แต่ทางไม่ดีอันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้พบกัลยาณมิตรไม่ได้พบมิตรที่ดีไม่มีใครแนะนำพำนัฒสอนปล่อยไปตามอำนาจอำเภอใจของเขาเขาอยากทำอะไรเขาก็ทาเขาอยากพูดอะไรเขาก็พูดเขาอยากเล่นอะไรเขาก็เล่นเขาไม่ได้ห่วง ไม่ได้ห่วงวัยไม่ได้ห่วงชีวิตคนเรานี่มีอยู่สามวัยนะวัยต้นวัยกลางและวัยแก่อืวัยแก่วัยต้นนี่ก็ศึกษาเล่าเรียนหาวิชาความรู้วัยกลางคนก็สร้างเนื้อสร้างตัวอ응ืเรียนจบแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัววัยแก่ทําอะไรไม่ได้ ความแก่งอมย่อมเทือกทุเลมากเหมือนตาบอดข้ามฟากฝั่งคองหาไม้ไผ่ลำคานขมากิริยาแสนทุรักทุเลแลใครไม่อยากเทือกทุเลมากให้ข้ามฟากเสียพ้นป่อนตนแก่ก่อนตาบอดหูหนวกสะดวกแท้ตองแน่ๆรีบเดินเอ่ย อันนี้ท่านพูดถธาตุท่านประพันธ์ไว้ถ้าแก่มาแล้วหูหนวกตาบอดเลยทำอะไรได้ล่ะทำไม่ได้สั่งเนื้อส่งตัวไม่ได้ท่านถึงไม่ให้ลืมให้พี่นานเรื่อยว่าเราแก่ึ้นทุกวันเรามีความแก่เป็นธรรมดานี่พระสวดตอนเย็นเชลาราทมหิฉลังอนติโตนีมีความแก่เป็นธรรมดา มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วเอากลับคืนได้ไหมไม่ได้เอาอะไรมาปิดมากั้นมาทามานวดมาโปะไว้แต่งหน้าแต่งตาไว้ก็ตามอืมมันก็ลบลิ้วลอยได้ชั่วระยะครีมนั่นแหละหลังจากนั้นแล้วมันก็ละไม่ได้เห ม, มือนเดิมอืมหน้าตาก็แก่ไปตามเรื่อง เราลองดูสิแต่ละส่วนแต่ละส่วนของร่างกายนี่มันค่อยสุดโทมลงสุดโทมลงฟันที่เคยเคี้ยวอาหารได้อย่างดีพอแก่แล้วมันก็ปวดเลยปวดฟันแล้วแันี้ก็ต้องถอนฟันซะก่อนฟันถอนไปถอนมาหมอเขาว่าเอาไว้เคี้ยวอาหารบ้างเขาว่านั่นแสดงว่ามัน มันแก่ไปเรื่อย เ, เลยฟันแต่ก่อนก็ไม่ได้ถอนพออายุหกสิบเ็สบก็เริ่มแล้วแบบนี้ปวดฟันปวดอะไรไปก็ไปถอนฟันไปถอนออกบ่อยนักหมอเขาก็โอ้พาเอาอนี้มาถอนฟันเรื่อยเลยอัตมาบอกให้ถอนถอนออกทุกเรื่มที่มันปวดเอาออกหมดแต่หมอเขาว่า เอาไว้เคียวอาหารบ้าง่ น, นเห็นไหมอายุสี่สิบห้าสมันเป็นแล้วไม่ถึงหกสิบหรอกถ้าหกสิบก็โอ้ยมันพอแรงแล้วนี่แหละขอให้พิจารณาดูให้ดีว่าคนเรานี่ยถ้าลืมหรือว่าตัวเองจะไม่แก่นี่ก็ไม่รีบสร้างเนื้อสร้างตัวก็ไม่เจริญ เล่นยิ่งหนักเข้าไปเอาไม้เอาวบยมุกนะ่ะนั่นแหละตัวเสื่อมแล้วนะ่ะนักเลงหญิงนักเลงสุลานักเลงการพรนันนักเลงเที่ยวกลางคืนโอ้ยพวกนี้มันจะมีเวลาคิดเรื่องสร้างเนื้อสร้างตัวได้อย่างไงมันก็มัวเมาประมาทอ่ะถ้าเราพูดอย่างนี้ก็เหมือนด่าขเขานะแต่เราพูดเป็นธรรมะเออเป็นข้ อ, ขอคิดเห็น ว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้เราจะต้องแก่ต้องตายอย่างนี้แหละให้เขารู้ให้เรารู้เตือนสติเราเองเตือนสติคนอื่นได้ด้วยอย่าประมาทบัวเมาเพราะทางเสื่อมมีมากทางเจริญก็มีอยู่ให้รีบทำทางเจริญทางไหนที่จะเจริญให้ทาทางนั้นเว้นจาก บาปอากุลทั้งหลายทำความดีให้ถึงพร้อมคือทำความดีอย่เรื่อยๆทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจหละให้เป็นความดีอย่าไปทำในสิ่งที่เรียกว่าลืมอนาคตลืมตัวลืมตนกว่าจะนึกขึ้นได้มันพอแรงแล้วนี่ด้วยเหตุนี้จึงให้พิจารณาให้ ทองแท้ว่าคนเราเกิดมาจะต้องแก่ต้องตายทุกคนเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะมัวเมาอยู่ไม่ได้บุญเรากุศลเราความดีเราเราทําได้พอเพียงหรืออย่างให้ทานเราให้หรืออย่างรักษาศีลเรารักษาหรืออย่างภาวนาเราปฏิบัติหรืออย่างหรือนั่งสมาธิวิปัสสนาเนี่เราทําหรืออย่างถ้าเรายังไม่ได้ทําชื่อว่าเป็นคน ประมาทหรือคนลืมแก่เพราะความแก่ก็ต่อไปก็เป็นความตายมันเป็นยังั้นลืมแก่ลืมว่าตัวเองจะจะไม่แก่หรือวางทีไม่หรือไม่ได้นั้นเลยไม่ได้คิดไม่ได้อะไรเลยถึงความแก่ความงอมเหล่านี้ถ้าเราคิดอยู่บ่อยๆนะโอ้เราจะแก่ อะไรเรายังไม่มีเ อ, อเงินทองเรามีไหม เ, ออเครื่องใช้เครื่องสอยของเรามีไหมอันไหนมันยังขาดตกบกพร่องอยู่เราจะทําไงเราถึงจะมีเงินไว้เก็บไว้ใช้ในยามแก่เท่าชะลารีบหารีบคน้นไข่ถ้าเป็นอย่างนี้เรีว่าคนดีคนที่รีบสร้างเนื้อสร้างตัวเรียกว่าคนดีแต่คนที่มัวเมาประมาทกินเหล้ามเมาเบียผิดลูกผิดเมียคนอื่น อันนี้เป็นคนชั่วคนชั่วคนบาปคนที่จะไปนรกไปทางต่ำไปทางเลวทรามไปทางที่ไม่สามารถพ้นจากความเดือดร้อนไปได้เดือดร้อนเพราะอะไรเดือดร้อนเพราะเกิดเป็นสัตดิลสานอยู่อย่างละห้าร้อยชาตินู่นน่ะเช่นเปร ทนสุรกายผีสางเป็นสนาลกนี่คือทางของอบายเยมุกลหละอบายเยมุกแปลว่าปากทางความเสื่อมต้นทางความเสื่อมเหมือนหม้อดินนี่เขาม้อดินมาถวายอัตมาอัตมาก็ให้เอาน้ำใส่ไว้ ไม่มีฝาปิดเอาเสือไปปิดไว้น้ำเต็มหม้อนะเต็มไห้นะเต็มตุ่มนะเอาเสือไปปิดไว้มันค่อยออกยังไงก็ไม่รู้มันสุ่มออกมาข้างนอกนี่เออให้สักเดือนหนึ่งค่อยค่อยกินน้ําเย็นอันนี้ว่าพอไปดูอ้ามันหมดเลยเไม่รู้ว่ามันออกทางไหนอ เห็นแต่มันทุ่มชุ่มอยู่นิดเดียวเท่านี้เนี่ยไปอย่างนี้จะรีบทำอะไรก็ให้รีบทำอย่ามัวชักช้าอยู่เพราะวาความแก่และความตายเป็นของมีอยู่ประจาอยู่แล้วกับเราไม่รู้วันไหนมันจะต้องไปรอไม่ได้เรานอนปั๊บเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราจะตื่นขึ้นหรือว่าจะดับไปเลย จึงสมควรอย่างยิ่งที่คนเกิดขึ้นมาแล้วรีบเร่งสร้างเนื้อสร้างตัวทำมาหากินในทางสุจริตทำความดีงามให้กับตนทำมรรคทำผลให้มีขึ้นในใจของเราให้มีการให้ทานรักษาศีลประพิ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิให้จิตสงบให้ใจสบายมีมรรคมีผลก็รักษาความดีนั่นไว้ให้ยิ่ง นั่นแหละที่จะเป็นสิ่งประกันไว้ให้เราตกนรกถ้าเราทำความดีไปเรื่อยๆไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ไ, ไม่อิจฉาริษยาใครตั้งเนื้อตั้งตัวสร้างเนื้อสร้างตัวอย่าให้รอถึงวันรู้สำนึกได้ว่าโอ้เราแก่แล้วให้เราเรีบเร่งทำตั้งแต่ตอนนี้เลยจะนั่งสมาธิอย่างอายุหกสิบเจ็ดสิบไปแล้วนี่นั่งยาก ลำบากนั่งนานๆานก็เหนื่อยเมื่อยไปทั่วเลยแต่ถ้าอายุยังนุมอยู่เรามาทํามาฝึกมาหัดนี่มันแข็งแรงมันเข้มแข็งมันสามารถทําให้เรียกว่าขยันนะ่ะทําความขยันขันแข็งคนยังนุมอยู่ถ้าแก่เท่าไปแล้วมันทําไม่ได้หรอก จะมานั่งสมาธิก็มาไม่ได้มานั่งไม่ได้จะนั่งได้ยังไงเดี๋ยวก็ปวดอ้านปวดนี่แหละเก็บหลังเก็บเอวทำความดีให้กับตนก็ยากก็อยู่ไปตามสภาพนี่แหละถ้าลืมกินลืมเที่ยวลืมเล่นลืม มัวเมาอยู่นี่หลงมัวเมาอยู่นี่โอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าหาได้ยากแต่ถ้าไม่มัวเมาไม่ประมาททำมาหากินเก็บหอมรอมริบทำบุญสร้างกุศลทำคุณงามความดีให้กับตนอย่างนี้ที่ว่าเป็นคนที่ไม่ดื่มแก่เป็นคนที่ รู้จักทรมาหากินรู้จักสร้างเนื้อสร้างตัวรู้จักสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างพบสร้างศาสตร์ให้มีแต่ความสุขความเจริญให้มีแต่ความดีงามทกปะการขอให้พิจนาให้ดีให้ใค่ควรไต่ตรองดู คนเรานี่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเราอย่าให้มันลืมความแก่เราต้องรีบเร่งสร้างสมคุณงามความดีหรือทำมาหากินประกอบอาชีพเก็บหอมรอมรีบทรัพย์สินสมบัติถ้าได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปมันก็หมดไปเฉยๆได้มาแล้วเราได้มาแล้ว เราเก็บหอมหลอมริบไว้แบ่งเป็นส่วนส่วนส่วนนี้ใช้ใจ่ายประจําวันส่วนนี้ฝากธนาคารไว้ในอนาคตป้องกันอนาคตคือไม่จําเป็นต้องไป อ, อะไรที่เขาเรียกมาประกันเอประกันประกันชีวิตนะที่เข า, าประกันชีวิตนะเราตายแล้วลูกหลานได้ใช้แต่อันนี้ เราทำนี่เราไม่ทำประกันชีวิตแต่เราเก็บหอมลอมรีบไว้ไม่ใช้จ่ายสื้สซื้อไล่ไม่ลืมตัวลืมตัวไม่บัวเมาในความลืมความเป็นหนุ่มรีบเร่งสะสมบุญกุศลเอาไว้อันนี้เป็นความเจริญเป็นนี่เป็นทางแห่งความดีงามเพราะฉะนั้นจึงควรที่จะพิจารณาว่าตัวเรานี่ประมาทหรือไม่ประมาท ลืมแก่หรือยังไม่ลืมแก่อะไรต่างๆเรานี่แหละให้พิจารณาดูให้ดีถ้าไม่ลืมแกนะ่ะก็คือได้ความสุขความเจริญ น, นั่นแหละถ้าลืมแก่ก็ไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความสนุกสนานในวัยหนุ่มสำนึกได้ื่อแกแก่เท่าไปแล้วมันทำอะไรไม่ได้ช่วยตัวเองก็ทั้งยากแล้วไม่มีเงินมีทองเพราะมัวเมา เอาไปเล่นไปกินไปเที่ยวไปเพลิดเพลินเหมือนอย่างคนที่เป็นเจ้าเป็นนายละบางคนเนี่ยเป็นเจ้าเป็นนายมีเงินมีทองเงินก็มีทองก็มีอะไรอะไรก็มีแต่ว่าไม่ได้คิดสร้างเนื้อสร้างตัวเพราะไม่มีลูกมีเต้าเป็นหมันไม่สร้างเนื้อสร้างตัวไม่เก็บหอมลอมริบเงินทอง เวลาแก่เท่ามาแล้วก็เสียนอายุราชการแล้วจะไปเอาเงินจากไหนมาใช้มากินวะนี่เพราะเงินเราที่สะสมไว้มันไม่มีกินเรีหมดไปประจำวันมีอะไรก็ซื้อแจกไม่ีอะไรก็ซื้อให้คนนั้นคนนี้แต่เวลาเราตะเราแก่แล้ววะ น, นี่เราไม่มีงานทำแล้วเงินทองไม่รู้จะเอามาจากไหนมาซื้อมาจ่ายวะ น, นี่ไม่มีคนให้เหมือนตอนเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่นี่ อย่างนี้แหละก็ถือว่าประมาทเหมือนกันถือว่าลืมแก่เหมือนกันคือไม่ไม่รีบเร่งเออเราได้เป็นใหญ่แล้วการเงินการทองเราดีเรามีฐานะเรามีอะไรต่ออะไรเงินทองมากมายทีนี้ไม่คิดเลยว่าเจ้าของจ ะ, กะเกษียณอายุหรือจะแก่จะเท่าก็ใช้กินใช้อยากใช้ใจ่ายไปตามอำเภอใจในที่สุดแก่เท่ากเกษียณอายุราชการแล้ว จะเอาเงินที่ไหนมากิน เ, เงินที่บำเน็ตบำนานอะไรต่างๆมันยังไม่ได้จัดหาให้ เ, เขาไม่ให้เขายังไม่ให้เราไม่มีเลยต้องไปกู้ไปยืมคนอื่นมาอยู่มากินนี่เห็นไหมเราประมาทเราคิดว่าเราจะไม่ได้ออกจากราชการหรือว่าพักหรือว่ากษัตรยณนายูหรือว่ากษียณนายุ อย่างนี้แหละให้คิดคน้นพิจารณาดูความจริงว่าอะไรคนเราจรึงประมาทก็เพราะกิเลตนั่นแหละกิเลตนั่นแหละเป็นเหตุให้ลืมตัวชั่วซาเหลวสามกิเลตนั่นแหละคือความโลภความโกรธความหลงนั่นเองอวิชชาตันหานั่นเอง มันยังเป็นเจ้าเป็นใหญ่หนึ่งหัวใจของเราเราไม่สามารถที่จะแก้ไขให้มันหมดไปได้มันก็ต้องเล่นงานเราอยู่ทุกภพทุกชาติเรามาเกิดชาติไหนมันก็ตามเบียดเบียนเราอยู่ขอให้เราเกิดเถอะตามเบียดเบียนทันทีนี่เราไปอยู่ที่ไหนก็ตามไปทำอะไรอยู่ก็ตาม มันไม่เจริญขึ้นเพราะมั น, มนหมดแล้วหมดทางที่เจริญแล้วเหมือนคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยบางท่านบางคนหรอกไม่ทั่วไปทุกคนพออายุกแก่ขึ้นมาก็ซื้อที่ซื้อทางไว้พอกเกษียณอายุ ก, ก็มาทําสวนทําไร่แบบนี้ไอยคนหกสิบแล้วต่อไปมากกวเจ็ดสิบต่อไปมันก็ตายท่า น, นเลยไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเจ็ดสิบเนะมันก็ตายตายไปเหมือนกันนี่ จะมาทำไรทำสวนต้นไม้มันก็ยังไม่ขึ้นเลยคนเรามันหมดแรงแล้วนั่นเขาต้องคิดไว้แม้ว่าจะเป็นข้าราชการหรือเป็นผู้มีงานมีการทั้งหลายถ้าลืมคิดถึงความเป็นจริงของชีวิตอย่างนี้ลืมคิดว่าเราจะแก่จะเป็นคนแก่หาเงินหาทองไม่ได้ทำ มาหากินไม่ได้เราก็ต้องรีบเร่งเก็บทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นไว้เมื่ออายุเกษเท่ามาเราก็ได้ใช้ใจายเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงต่างๆนี่แหละท่านจึงไม่ให้ประมาทมัวเมาความประมาทมัวเเมนั่นแหละประมาทในวัยประมาทในชีวิต ประมาณในวัยก็คือตอนนี้เรายังหนุ่มอยู่ไม่เป็นไรนี่เรียกว่าประมาตในวัยเรายังหนุ่มอยู่เรายังไม่แก่ทำาม่ไหร่ก็ได้นั่นคิดว่าจะไม่ตายคิดว่าเจ้าของจะไม่ตายคิดว่าเจ้าของจะไม่แก่นี่แต่ถ้าคิดได้ว่าเร า, เราจะแก่เราก็จะรีบเร่ง สร้างสมคุณงามความดีหรือสะสมเงินทองทรัพย์สินสมบัติไม่ใช้ใจ่ยายซื้อลุยซื้อไล่รู้จักประหยัดรู้จักอดอา่ารู้จักกดรู้จักออมไวอืออมสินออมทรัพย์นะเก็บออมไว้ใช้ใจ่ายเมื่อยามจำเป็นส่วนคนลืมแก่ไม่ได้คิดต่อเรื่องเหล่านี้อยากแรวจะสนุกสนานค่ำคืนเอายางนั้นนะ่ เป็นข้าราชการเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุหกสิบปีแล้วยังไปร้องเพลงเมาเหล้าร้องเพลงแอ็นหน้าแอดนหลังอยู่โอ้ยแบบนี้ก็ไม่รู้จะแก้ยังไงแล้ ว, วจะแก่แบบไหนจะแก้ไม่ให้เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าแต่ละคนก็ต่างคนต่างก็รักษาตัวใครตัวมัน ทำดีให้กับตัวทำชั่วให้กับตัวทำดีเราก็ได้รับทำชั่วเราก็ได้รับทำบาปเราก็ได้รับทำบุญเราก็ได้รับจนแก่จนเท่าจนตายไปจากโลกนี้ถ้าไม่ประมาทเท่านั้นจึงจะมีความสูงได้ถ้าประมาทแล้วไม่รู้จักหรอกว่าทางนรกทางสวรรค์ทางนิพพานเป็นยังไงไม่รู้จัก ไม่เคยปฏิบัติไม่เคยบำเพ็ญไม่เคยกระทำความดีให้เจริญลุ่งเรืองขึ้นไปกับตัวเองไม่เคยคิดที่จะมาปฏิบัติทำหรือบำเพ็ญคุณงามความดีอะไรหรอกคิดว่าวันนี้กินที่ไหนวันนี้นอนที่ไหนเป็นอย่างนั้นมีแต่เรื่องใ ห, ให้ตกต่ำทางนั้นเลยจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะ พิจารณาถึงความจริงเหล่านี้ว่าคนเราลืมแก่เพราะไม่คิดถึงว่าเราจะต้องตายไปในที่สุดจะมัวเมาประมาทอยู่ทำไมท่านพุทธทาสท่านว่า อ, อ, อย่าทึกับความแก่งอมแล้วถ้าถึงความแก่งหอมแล้วยึงจะมาคิดทำความดีมันไม่ทันเขา ให้ตั้งตัวตั้งตนเสียตั้งแต่ยังไม่แก่ไม่เท่านี่แหละยังพอทำงานหนักได้อยู่นี่นี่แหละให้รีบเร่งจะปฏิบัติธรรมก็ให้หัดปฏิบัติแต่ตอนนี้อย่าเอาตอนที่ว่าเข้าโรงแล้วถึงจะมาหัดพุทโธหรือว่าหัดอนาปานั้นสติกาหนดลมหายใจเข้าออกโอ้โหคนมันจะตายแล้วมันจะมานึกออกได้ยังไงมันละม่อมีแต่ ทางที่จะไปสู่ปลายภูมิตอนตั ว, ตวมีเท่านั้นแหละให้ลองคิดดูเกิดเป็นคนมาอย่าลืมมัวเมากับวัยและชีวิตพอวัยและชีวิตมันเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อ ย, อ ป, อยปีนี้ห้าสิบปีนี้ห้าสิบปีหน้าก็หกสิบไปแล้วก็เรื่อยไปหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบ้าสิบร้อยปีตายแล้วนั่น เราตัวดูซิว่าเราประมาทมัวเ ม, า, มาในเรื่องใดบ้างก็หายรีบแก้ไขเสียก่อนที่จะถึงความวิบัติขัดข้องหายรีบเร่งทำคุณงามความดีไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่าได้ลืมแก่ถ้าลืมแก่ก็มัวเ ม, า, มาประมาทในโอกาสที่จะตกต่ำก็มีมาก ตายไปแล้วอาจจะไปสู่นรกก็ได้เพราะว่าทำชั่วทำบาปทำกรรมไม่งามให้กับตนเองอาตมาแสดงเรื่องผู้พัฒตารลืมแก่เรื่องคนแก่คนลืมความแก่ของตัวเองนั่นแหละยอมตกต่ำเป็นธรรมรา ไม่มีใครจะช่วยได้แม้ตัวเราเองก็ช่วยตัวไม่ได้พอมันล่วงเลยไปแล้วมีแต่จะตายท่านเองถ้าตายแล้วก็ไปตกนรกตามบาปตามกรรมที่ทาไว้ไม่มีหนีไม่พ้นหรอกเพราะทำชั่วทาบาปไว้มากด้วยเหตุนี้จึงให้ท่านผู้ปฏิบัติธรรมหลีกเล่นทุกท่านนำไปพิจารณาดูว่เราตอนนี้ลืมแก่หรือ ย, อยัง อายุเราเข้าไวัยไหนไวัยกลางคนหรือวัยแก่ง่อมหรือว่าแก่ชราหรือแก่ง่อมให้พิจารณาให้ดีแล้วจะได้รีบเร่งสร้างสมคุณงามความดีให้เจริญตุ่งเหลืองสื่อไปแสดงธรรมมาก็เห็นว่าสมควรกี่เวลาข อ, อยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติต่ตอไป